บททีแปดสิบเก้าอย่าหน้ให้ตุมไม่ดีประโยคคำสั่งหนึ่งออกุยาปูรวกรรมวอกดีคุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียดนักเลย มีเรื่อยันตาบัดดาคั न न ่งสิโลอนตาบัดดาคั่งสิลก็วุคุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึกมีรู้ช้าคุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึกมีรู้ช้ คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิมีเรื่องอริ๊กเอกบิ๊กเกอร์กัคุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิมีเรื่องอะริ๊กเกอร์กันมาตร์ตร์วันตร์บิ๊ก a กคุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ มีร์จะลาเอ็กกูกาตากุตารุอันเต็กกู g a ตากันดีคุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลยมีร์จะลาเอ็กกูกาปอกตาตคุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไปนมริเชสตารุอดี คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลยมีรลล์เบันดีนัดบุตรอันต์เวงบันดีันลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์เลดอร์เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ปูชุ r ดมินั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร์ คจรีวันนัน้นไม่ห ล, ลังการุใจเย็นเย็นนะคะสาหนำปาทิ้งนดมีเวลาไม่ต้องรีบต้นดรปัดดุรอสักครูนะคะวอกนิมิชมะแงนดระวังนะคะจากระต กรุณามาให้ตรงเวลานะคะสมยมปาตินชันดีอย่างโง่มันจบุตริก้านดดดู